จเจริญพรโยมวันนี้วันทอดกะถินหลวงพ่อสังเกตนะหลวงพ่อเทศทุกวันนะคนน้อยกว่าทอดกะถินแสดงว่าแสดงว่าชอบทอดกะถินนะทอดมันก็ไม่เสียหายนะก็เป็นบุญสมัยพุทธกาลนะผ้าหายากกว่าพระจะได้ผ้ามาพอทำจีวรสักผืนหนึ่งนะทำยาก จำยาพอออกพรรษานะพระได้ผ้ามามาช่วยกันทาผ้ามาช่วยกันเย็บแต่เติมท่านได้ผ้ามาท่านต้องมามาซักนะผ้ะาก็ไปเก็บมาจนมากผ้าที่เขาทิ้งแล้วเก็บเอาผ้ามาซักมาเย็บช่วยกันเย็บพระทางวัดต้องช่วยกันไม่มีจักเย็บผ้าช่วยกันเย็บ เย็บเสร็จแล้วต้องย้อมย้อมแล้วก็ตากนะต้องให้เสร็จในวันเดียวทำไมต้องเสร็จในวันเดียวเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะให้พระช่วยกันทำงานให้สามัคคีกันมาถึงวันนี้ก็ง่ายโยบก็เอาผ้ามาให้เลยพระก็ได้ผ้าผ้าเยอะอย่างนี้พราเลยอยากได้เงิน แต่วัดหลวงพ่อนะไม่เน้นนะเรื่องเงินเรื่องทองนะยังบอกคุณอพิชาตคุณอพิชาติเป็นเจ้าภาพนะบอกว่าทอดกระถินวัดหลวงพ่อนะมีภาพผืนเดียวพอละในการที่พวกเรามาชุมนุมกันมากๆในฐานะของชาวพุทธนะชอบทอดกระถินเอามารวมกันทอดมันเป็นอุบายที่จะให้คนมารวมกันฟังธรรม ชาวพุทธเราเนี่ยจุดสำคัญมากคือการได้ฟังธรรมเวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของการฟังธรรมอย่างเวลาคนตายสังเกตไหมมีสวดพระอาทิธรรมถ้าเราแปลออกนั่นก็คือการฟังธรรมะนั่นเองเวลาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะแต่งงานจะทําอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวนี้เหลือแต่ ง, งานตายแล้วงานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นไม่ค่อยมีแล้วเป็นอุบายของคนโบราณที่ว่าเมื่อคนมารวมกันมากๆแล้วจะได้ฟังธรรมงั้นวันนี้เราจะยึดถือแบบคนโบราณเราฟังธรรมเพราะหลวงพ่อไม่เอากิจกรรมอย่างอื่นหรอกอย่างขึ้นเขียนระเบียบประกาศไว้วันนี้มลหลวงพ่อไปทํากิจกรรมอื่นๆไม่เอานะ ลกนอนเสกเนี่อะไรเงี้ยไม่เอาเสียเวลาขี้เกียจไปนั่ง่ดุดสําคัญต้องเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆส่วนรูปแบบพิธีกรรมต่างๆเป็นเปลือกของศาสนาอย่างเนี้ยเรามีพิธีกรรมทอดกริ่นอนะไรเงี้ยเป็นรูปแบบเป็นเปลือกเพราะว่าคนส่วนมากเข้าได้แค่เปลือกแต่คนใดมีสติปัญญามากนะ ก็มองทะลุปเปลือกเข้ามาเอาให้ได้แก่นสารสาระการฟังธรรมนั้นสิ่งที่เราจะได้นะเราจะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธนะเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อไรนะสิ่งที่ถูกทำลายไปก็คือมิจฉาทิฏฐิแค่เราไม่ได้มุ่งทำลายคนนะแต่มุ่งทำลายความไม่รู้ความหลงผิด ไม่ได้ทาลายตัวคนแต่ทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดเราสร้างอะไรขึ้นมาเราสร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกในความเป็นจริงธรรมะก็คือตัวความเป็นจริงนั่นแหละนี่ความเป็นจริงนั้นมันกว้างกวางใหญ่โตมากมายท่านถึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากแต่พระพุทธเจ้าสอนแค่ใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้น ใบในกำมือท่านมีแค่สี่ใบเองไม่มีใบที่ห้าหรอกสี่ใบก็คือตัวอริยสัจนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เราได้เข้าใจอริยสัจก็เรียกเรามีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงทันทีที่เข้าใจอริยสัจเกิดสัมมาทิฏฐิเราก็จะล้างมิจฉาทิฏฐิไปในฉับพลันนั้นเลยนี่เราได้ยินแต่ตำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะ มันมีความหมายอะไรสมาธิฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจรู้ทุกรู้ว่าทุกขคืออะไรรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกขเป็นยังไงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองรู้ว่าอะไรคือสมู ท, ทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์รู้หน้าที่ต่อสมู ท, ทยัยตัวสมูทัยคือตัวตันหาตัวความอยากตัวความทยานของจิต หน้าที่ของมันคือต้องละมันให้ได้ความรู้แจ้งอันที่สามเรียกว่ารู้นิโรดนิโรธคือนิพพานนิพพานคือความสิ้นปัญหาเรียกว่าวิราคะนิพพานคือการสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขานิพพานนั้นพ้นจากขันเรียกว่าวิมุตติหน้าที่ต่อนิพพานคือการเข้าไปรู้แจ้งเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าถึงะ เรียกสัจชิกิริยาเข้าถึงเข้าไปเห็นสัมมาทิทฐิประการที่สีก็คือการรู้มักมักมีองค์8ก็จริงนะแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะก็ทำสติปัฏฐานนั่นเองทำมิปั ส, สนากรรมฐานทำสติปัฏฐานนั่นเองเจริญสตินะ มักมีองแปลก็จริงแต่ว่าองทั้งแปดนั้นจะไปเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการเจริญสติจนแก่รอบด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจนวันหนึ่งก็เกิดความรู้แจ้งรู้แจ้งในขันห้าในกายในใจนี้หมดความยึดถือกายใจซึ่งเป็นกองทุกตัวทุกนก็คือตัวกายกับใจหน้าที่ต่อมาคือทาให้เจริญทาให้มันมีขึ้นมา ของไม่เคยมีทําให้มีทำให้เจริญภาวนากิจนี่สามมาทิฐิสี่อันเป็นหลักๆความจริงยังมีอีกสี่อันอันหนึ่งรู้ความจริงของขันธาตุอายตนะขันธ์าตุอายตนะจริงๆก็คือสิ่งที่เรียกว่ากายกระจนี่เองรู้ความจริงของกายกระใจในอดีตนะ รู้ความจริงของกายของใจในอนาคตมีสองข้อแนละ้วรู้ความจริงของกายของใจทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตนข้อที่สาอันที่สี่รู้ความจริงนะว่ากายกับใจนั้นเป็นแค่ธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ถึงความไม่มีตัวมีตนรวมแล้วเป็นทั้งหมด8ประการตัวสัมมาทิฏฐิ ตัวที่ 1. ่รู้ทุกนะทุกให้รู้ทุกคือกายกับใจตัวที่สองให้ละสมุ ท, ทัยนะคือตัณหาถ้าใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะตัณหาจะดับไปนะอันที่สเรียกว่าแจ่มแจ้งในนิโรดนะันที่สี่เจริญมักนะอันที่ 5. รู้ความจริงของกายของใจที่เป็นอดีต รู้ส่วนที่เป็นอนาคตในอันที่6อันที่7รู้ทั้งอดีตและอนาคตอันที่แปรู้ปฏิจจสมุปบาทมิจฉาทิฏฐิมันก็ปรับข้างนั่นเองมิจฉาทิฏฐิก็คือการไม่รู้ทุกใครบ้างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปุถุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นพวกเราจริงๆเรายังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิแท้ๆนี่นเราจะต้องศึกษาให้ดีถ้าพลาดครั้งเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิฝังรากลึกนะเช่นกายเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิชาตหน้ามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าท่านไม่เห็นอะไรนะมีโทษร้ายแรงเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะเราไม่ต้องพูดถึงมิจฉาทิฏฐิที่ประนีตลึกซึ้งมากมิจฉาทิฏฐิตื้นๆอย่างเราไม่รู้วิธีปฏิบัติเราก็ลงมือปฏิบัตินะตามๆเป็นไป ภาวนาจนเครียดไปหมดเลยกำหนดใจกําหนดใจเครียดเครียดจนประสาทกินต้องไปโรงพยาบาลบ้านอะไรเนี่ยนี่ทำไมทำผิดร้ายแรงหรือบางคนพิการทางร่างกายบางคนไปเพ่งจนกระทั่งสมองเสื่อมอย่างพี่ตุ่มเคยมาเล่าว่ามีคนหนึ่งว่าเป็นอัลไซเมอร์ที่แท้อัลไซเมอร์ปลอมเป็นอัลไซเมอร์ปลอมไปเกิดจากการเพ่งมากไป การที่เราไม่ศึกษาให้ดีแล้วเราภาวนาผิดผิดนะฮะมันก็มีโทษมันไม่ต้องนับถึงมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงต่างๆเพราะมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงนะมันถึงกับคัดค้านพระพุทธเจ้าเลยนี่มิจฉาทิฏฐิจะถูกทำลายไปนะเมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดสัมมาทิฏฐิมันเกิดเพราะเราเจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจของเราเนืองๆถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมมาทิฏฐิ ให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งให้รู้นะไม่ใช่ให้คิดเรื่องกายเรื่องใจไม่เพ่งกายเพ่งใจไม่คิดเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจทําได้ไห้สาอย่างเอาข้อแรกไม่ลืมกายลืมใจก็ทําไม่ไหวแล้วลืมทั้งวันรู้สึกไหมลืมทั้งวันต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่ามีสติ พะมีสติมากๆนะแล้วก็ใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นเห็นกายมันอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจมันอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานไปมันจะเกิดปัญญานะถ้ามีสติรู้ความมีอยู่ของกายของใจมีใจที่ตั้งมั่นนะกายเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมเป็นตัวเราขึ้นมาก็จะกระจายตัวออกไป แต่ละตัวแต่ละตัวนั้นจะแสดงความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราให้ดูนี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรเป็นสภาวะที่ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเพราะเป็นสภาวะที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นสภาวะซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ บ, บังคับ มันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้เนะนี่ยถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้นะมีสติแล้วก็ตามรู้กายตามรู้ใจไปไม่ลืมกายลืมใจนะไม่เพ่งกายเพ่งใจนะมันไม่ไปเอาแต่คิดเรื่องกายเรื่องใจบางคนลืมกายลืมใจไปเลยนี่อันนี้สุดโต่งไปเลยนะข้างหลงไปเลยนะอีกพวกหนึ่งคิดเรื่องกายเรื่องใจอันนี้ได้สมถะแต่ต้องคิดให้เป็นนะ คิดว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันเป็นความบั้งเปล่าถ้าคิดอย่างนี้จะได้ความสงบของใจถ้าคิดว่ามันเป็นของสวยของงามอะไรราคะมันจะเกิดถ้าคิดว่ามันไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้นะโทสะมันก็เกิดดะงนั้นะรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลืมกายลืมใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจถ้าคิดเรื่องกายเรื่องใจได้สมถนะแล้วก็ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจ ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเพ่งกายเพ่งใจโดยเฉพาะคนที่ชอบปฏิบัติเข้าวัดเข้าคอร์สมามากจะเป็นนักเพ่งเนะมื่อวานมีผู้หญิงที่อัศจรรย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวบ้านชาวบ้านนะอายุมากเหมือนกันใครให้ซีดีหลวงพ่อไปแผ่นเดียวฟังฟังอยู่หนึ่งเดือน เมื่อวานมาหาหาลวงพ่อนะม า, มาพูดในห้องนี้ด้วยจิตใจที่ห้าหานะันนี่ใครอยู่บ้างเมาาื่อวานมีไหมว่าเยอะนะอิจฉาไหม <c oughs> น่าอิจฉาที่สุดเลยแต่อย่าอิจฉาเลยเขาทขขําหัวเขามาเขาฟังซีดีหลวงพ่อเพียงเดือนเดียวเลยคนไม่เคยภาวนาเลยแต่แกตามดูไปไเรื่อยๆใจของแกน่าเข้าถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานแกพูดด้วยความห้าหานะัน แกขอบคุณหลวงพ่อแกรู้ทางแล้วแกรู้ทางแล้วว่าทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงไหนคนที่รู้ทางนี่ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเรายัางไม่รู้ทางจริงนะของเราแค่อนุมาณเอารูปรูปกล่ำกลเอาเดือนเดียวนะทาไมทำได้เดือนเดียวทำได้เพราะไม่ได้ทำจาไว้ น, นนะถ้าพยายามทาจะทาไม่ได้ ถ้าทําได้อย่างที่ใจต้องการจิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานี่แคาไม่ทําอะไรเขาดูกายมันทํางานเขาดูจิตมันทํางานเขาดูเล่นๆไปเรืนะ่อยเขาก็พบว่าจิตเขาหนีไปเรื่อยๆจิตเขาหลงทั้งวันเลยหลงแว๊บรู้สึกแว๊บรู้สึกแวบรู้สึ ก, สกฝึกอยู่เท่านี้เองเขาบอกว่าดิฉันภาวนาไม่เป็นดิฉันไม่เคยภาวนาดิฉันนั่งสมาธิไม่ได้ บอกว่าจิตของโยมแหละมีสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงนะั้นมันตั้งมั่นอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี้หลสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ไม่หลงไปนั่นแหละสภาวะที่มีสมาธิแท้ๆเลยช่วงหลังๆนะมีคนที่ได้ฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ถึงเราไม่ได้มาที่นี่นะแค่ฟังซีดีเข้าถึงภาวะแห่งความรู้ตื่นอย่างนี้มีหลายคนมีมากขึ้นมากขึ้น คล้ายๆเราปลูกต้นไม้นะทีแรกก็ต้นเล็กๆตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกเริ่มเติบโตแล้วต้นไม้ที่เหลือก็อยากจะเอาแต่อิจฉานะ <c oughs> รู้สึกกายรู้สึกใจไปนี่ก็บอกเลยวนะ่าดิฉันก็นั่งสมาธิไม่เป็นนะดิฉันนี่แหละกวาดบ้านถูบ้านนะดิฉันไปเที่ยวเก็บผักมากินเก็บผักมาขายดิฉันรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะ ภาวนาได้ชะกาจชะกันเลยรู้สึกนะรู้สึกไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่ใช่ลืมกายลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจเส้นทางนี้จะสั้นนิดเดียวถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้ว ร, รู้สึกขึ้นมาได้เส้นทางนี้จะยืดเยื้อยาวนานไม่มีที่สุดเลยถ้าเราลืมกายลืมใจเส้นทางนี้ก็ยืดเยื้อยาวนานนะนานเป็นกับกับถ้าเราเพ่งกายเพ่งใจเราก็จะไปเป็นพระพรม ถ้าเราคิดเรื่องกายเรื่องใจเราอาจจะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราจะนิพพานแกถามหลวงพ่อว่าดิฉันจะทาได้ไหมบอกแกว่าได้แน่นอนได้แน่นอนภาวะแห่งความตื่นนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยากมันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมา แต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วดังนั้นพวกเราจะต้องค่อยๆฟังธรรมนะอย่าพยายามทําอะไรให้รู้การทํางานของกายรู้การทํางานของใจรู้เล่นๆไปเรื่อยอย่าไปแทรกแซงเขาให้รู้เข้าไปทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานบางคราวขาดสติก็ลืมกายลืมใจ บางคราวก็หลงไปเพ่งกายเพ่งใจอยากรู้ให้ชัดก็จะหลงไปเพ่งนั้นบางทีไม่ต้องไปอยากรู้ให้ชัดนะจะรู้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรรู้ชัดก็รู้ว่ารู้ชัดรู้ไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดรู้ไปเท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยๆไม่ใช่ลืมกายลืมใจนี่ฝึกอย่างนี้นะเส้นทางนี้ไม่ได้ยาวเส้นทางนี้ไม่ได้ยากเส้นทางนี้เรียบง่ายนะเส้นทางนี้ร่มรื่น เส้นทางนี้แสนจะสบายความไม่รู้ต่างหากแล้วทําให้เราดิ้นรนปรุงแต่งทั้งมากมายเราไม่รู้วิธีบางคนก็ดื้อไม่รู้วิธีนะก็ ค, คิดเอาเองว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้หรือเชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ตรวจสอบอาจารย์นะว่าอาจารย์สอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า ถ้าภาวนาถูกต้องนะหลวงพ่อยืนยันอย่างหนึ่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่เป็นสายเดียวกันนะี้แต่ปริยัติต้องไม่ใช่ปริยัติส่วนเกินนะปริยัติในคมทีชั้นหลังๆที่แต่งเพิ่มๆ เ, เ, เพิ่มเข้ามาเนี่ยบางส่วนเป็นเนื้อ ง, งอกนะปริยัตรรุ่นดั้งเดิมนะรุ่นพระไตรปิฎกรุ่นอะไรนี้นะหรืออภิธรรมมัฏฐสังคหาอะไรี้พวกนี้ของพิเศษเนทะ่านั้น ถ้าภาวนาถูกต้องแล้วจะตรงกันเตะเลยเมื่อวานหรือวานศื่งก็มีคนอะไรางานคนไหนจาไม่ได้แล้วคนคนเดียวกันนี้หรือเปล่าเขาเห็นวิธีจิตนะแต่เรียกไม่เป็นเห็นจิตมันทำงานนะตัวนี้เกิดขึ้นมาทำงานส่งทอดให้ตัวนี้ตัวนี้ส่งทอดศึกจาผู้หญิงคนนี้หละทำไมเขาเห็นได้เขามาถามดิฉันคิดไปเองหรือเปลาดิฉันมันบ้าไปหรือเปล่า ทำไมดิฉันเห็นจิตดวงหนึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับอีกดวงหนึ่งมันรับช่วงอย่างเงี้ยถ้าถ้าเข้าใจการปฏิบัติจะรู้เลยว่าภาวนาน่ากลัวมากเลย <c oughs> คนไม่รู้เรื่องไม่คิดมากได้ยินซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวก็รู้สึกไปเไรื่อยๆก็รู้สึกไปเรื่อยไม่มีอะไรยากหรอกจริงๆง่ายกว่าที่คิดนะพอเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราเห็นกายเห็นใจก็ทํางานได้เอง ทำงานสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันทำงานของมันเองถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมมาทิฏฐิมาเราจะเห็นเลยตัวกายตัวใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้นล้วนนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แกมแจ้งอล้เรียกว่ารู้ทุกข์เราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ล้นล้วนนี่หัดรู้สึกตัวนะแล้วก็มันรู้กายรู้ใจเป็นระยะระยะถึงจุดหนึ่งจะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้นล้วนเรียกว่ารู้ทุกข์ ทันทีที่รู้ทุกข์แกมแจ้งนะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่ยึดถือกายยึดถือใจตัณหาหรือสมุทัยจะดับโดยอัตโนมัติแล้วดับสนิทคือดับแล้วไม่เกิดอีกเรียกว่าละสมุทยัยงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทยัยพวกเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราคิดว่าเมื่อไหร่ละสมุทัยนะเมื่อนั้นปนทุกข์แต่ความจริงเมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทยัย ทันทีที่ละสมุทัยนะจะแจ้งนิโรธในขณะจิตนั้นเลยในขณะจิตที่รู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นทีเดียวนั้นแหละแล้วก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่เหลือด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เหลือความไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตนะพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออาเหตุุกะทิฏฐิ อเหตุโอกาสทิฏฐิคิดว่าอย่างที่เราเกิดมาอยู่ตรงนี้ไม่มีเหตุหรอกอยู่ๆก็เกิดแล้วพ่อแม่ผสมพันธุ์กันมาแล้วมันก็เกิดมาเป็นอย่างเนี้ยนะในพวกนี้ไม่รู้เหตุแต่ถ้าเราภาวนาเราเห็นเลกายนี้นะมีความเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ในไกน่นี้มีกลุ่มของธาตุในก่นะทำงานของสภาวะธรรมเป็นกลุ่มๆในกน่นะทางานเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มเขาเรียกกลาบอ่ะมันชีเรียกกลับกลับเป็นกลุ่มๆนามาทำเก็เห็นเนะมันทํางานสืบเนื่องกันไปเช่นจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปนะเห็นจิตดวงนี้เกิดขึ้นดับไปดวงนี้รับช่วงรับช่วงช่วงรู้เลยว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุถึงจะเกิดนะหรืออย่างพวกเราภาวนาเห็นไหมแต่เดิมเราไม่รู้หรอกว่าทําไมโกรธเราภาวนามาช่วงหนึ่งเรารู้ว่าโทสะก็มีเหตุให้เกิด เราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก่อนโทสะถึงจะเกิดพอเรากระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจราคะก็เกิดแม้มันมีเหตุมันมีเห ต, มมเหตุมันถึงเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดดงั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้เนี่ยถ้าเราภานาเราก็จะละมิจฉาทิฏฐิที่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้มิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งไม่รู้อนาคตเลยก็คิดว่าทุกวันนี้เราอยู่อย่างเนี้ยแต่พอตายไปยเราก็หายไปเลยตายแล้วสูญไปเลย อันนี้เรียกว่าอุเฉทัตทิฏฐนะิไม่รู้อานาคตถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยจิตมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรืนะ่อยๆมันเกิดดับสืบเนื่องเรืนะ่อยๆแม้จะไม่มีร่างกายนะจิตก็เกิดดับสืบเนื่องได้อีกอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้ทางขันห้าเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตายแล้วศูนยะ์ไม่ใช่อุเฉทตทิฏฐิตายแล้วศูนย์ มิชาทิฏฐิพวกหนึ่งชื่อนับทิกาทิฏฐิอะไรอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ความไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีนั่งคิดตลอดวันนะอะไรอะไรก็ไม่มีสุดท้ายมันจะคิดได้แค่ว่ากูไม่มีกูกูไม่มีกูนะได้แต่คิดเอา พวกมิจฉาทิฏฐิที่ว่าอะไรๆก็ไม่มีเราไม่ได้ภาวนาให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายนั้นมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีแต่มันไม่ใช่มีอย่างขาวบอลมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วดับไปแม้เราภาวนาแล้วเราก็ล้างมิจฉาทิฏฐิได้หลายๆตัวล้างไปเรื่อยมันก็หมดทุกตัวนั้นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ชื่อนัตถิกะทิฏฐิอะไรๆก็ไม่มี อีกพวกหนึ่งไม่รู้ขันธาตุอายตนะไม่คือไม่รู้กายรู้ใจที่เป็นอดีตและอนาคตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถ า, ากรรมบุญการกระทำใดๆเนี่ยไม่มีความสำคัญหรอกไม่ต้องทำอ่ะามันสิ่งใดจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถือว่าไม่มีการกระทำอะไรอย่างมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะถูกลิกขิตมาหมดแล้วถูกกาหนดมาหมดแล้ ว, กกนน ม, ม, ลวมันเป็นไปเองไม่มีเหตุไม่มีผล สุดท้ายก็คือมองว่าไม่มีการกระทำบุญก็ไม่จริงบาปก็ไม่จริงนะการกระทำไม่เป็นการกระทำพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออักลิยทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะตัวสำคัญมากอีกตัวหนึ่งเพราะไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาท ถ้าเราภาวนาพวกที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นปฏิจารสมุกบาทแต่จะเห็นท่อนปลายก่อนรู้สึกไหมพอมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาพอมีเวทนาขึ้นมากิเลสจะแทรกตามเวทนาเช่นมีสุขเวทนาหนะ้ราคะก็แทรกมีทุกขเวทนาโทสะก็แทรกนะมีอาทุก ข, ขมสุขนะ้าโมหะแทรกเลยไม่รู้เรื่อง หลงหลงเผลอเลอไปพอมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยใจจะถูกผลักดันถูกผลักดันแรงผักดันนี่เรียกว่าตันหาพอตันหาเกิดเนี่ยตันหาถ้ามีกําลังแรงนะจิตมันจะกระโดดเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกไหมจิตจะโดดเข้าไปจับคนที่พอนามาเห็นตรงนี้มีเป็นพันๆแล้วนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกจิตกระโดดเข้าไปจับตัวนี้เป็นอุ ป, ปาทานจับแล้วไม่ใช่จับอย่างเดียวนะจับแล้วก็ขยําด้วยรู้สึกไหม ใครรู้สึกว่างวาจิตโดนขยำนะ่ำมันทำงานทำไงว่าจะดีทำไงว่าจะบรรลุมากผลนะปัญหาทางธรรมตลอดการที่จิตทำงานนั่นแหละเรียกว่าพบนะเรียกว่ากรรมภพนะมีการทำงานของจิตนะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตเนเมืนจะผุดขึ้นมามันจะมีตัวเราขึ้นมานะมีตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีความทุกข์ในจิตใจนี้เกิดขึ้น ใ้พวกเราภาวนามาช่วงเราจะเห็นกระบวนการทำงานมันมีนะมันไม่ใช่ลอยๆขึ้นมาสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งถ้าภาวนาวันใดเห็นปฏิจจสุบัทส่วนต้นนะวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์อาไว้นะเห็นปฏิจจสุบาทส่วนท้ายๆนะ้วดูไปเรื่อยวันหนึ่งจะเป็นพระโสดาถ้าเห็นปฏิจจสุบัตส่วนต้นนะัน วันนึงจะเป็นพระอรหันต์วันใดที่เห็นวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ยกเว้นแต่ไปเห็นตอนยี่สิบสี่นาฬิกาแป้งเนอะอีกวินาทีหนึ่งอาจจะไม่ทันข้ามวันซะก่อนรวมแล้วไม่เกินสองวันนะพูดที่ไม่เห็นตติจารสุบายจะมีมิจฉาทิฐิชนิดหนึ่งนะชื่ออัตตาทิฐิอัตตาทิฐิก็คือตัวเรามีอยู่จริงๆนะตัวเรามีจริงๆ พวกเราทั้งหลายที่ไม่ใช่พระโสดาบันนะยังมีอัตาตาทิฏฐิอยู่เห็นว่าตัวเรามีจริงๆเรารู้สึกไหมในเนี้ยในกายในใจเนะ น, นี้ยในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเราคนเดิมเราคนนี้กับเราเย็นนี้เย็นพรุ่งนีนะ้อีกปีหน้าก็เป็นเราคนเดิมเรารู้สึกมีเราอยู่ตัวหนึ่ง แต่ถ้าเราเห็นปฏิจจ ա โสบาทนะเราเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจที่เขาปรุงแต่งสืบเนื่องกันไปทั้งรูปธรรมนามาทําที่เขาปรุงต่อกันไปเราจะรู้ว่าตัว ต, วตนถาวรไม่มีหรอกความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นเกิดจากมันหลงไปก่อนแล้วก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาตัวตนจริงๆไม่มีตอนนี้คนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าตัวตนจริงๆไม่มีมีเป็นพันแล้วนะมีเป็นพันแล้วนะพวกเนี้คือ พ, พวกแคนดิเดตที่จะได้ธรรมะ แต่ไม่บอกนะว่าชั่วโมงของการแคนดิเดตนานแค่ไหนไม่ใช่อแล้วว่าฉันเห็นแล้วว่าความเป็นตัวตนเกิดรลดับไปเป็นกลาวกล่าวเอาละสบายแล้วหลวงพ่อบอกว่าแคนดิเดตล้ะชาตินี้นอนเล่นๆไปก่อนชาติหน้าก็ลืมลืมนี่เราต้องภาวนาเห็นไหมเรารู้สึกกายรู้สึกใจมีสติรู้กายรู้ใจเราเห็นเลย ตัวตนจริงๆไม่มีหรอกมีแต่กระบวนการทำงานปรุงแต่งความเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นครา้คราๆนี่การที่เราจเจริญสติปัฏฐานหรือมีสติรู้กายรู้ใจมันจึงละมิจฉาทิฐิทั้งหมดไปแล้วก็ทำให้เกิดสัมมาทิฐิทั้งหมดบางพวกก็พวกอัตตาทิฐิมีตัวมีตนนะคิดไกลไปนาะอนาคตอีกว่าตายแล้วก็ยังอยู่อีก นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึงชื่อสัจสตทิฏฐิพวกเราไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อนะหลวงพ่อพูดไว้เพอบางคนสนใจบางคนเขาเรียนมามากถ้าเราไม่พูดเลยนะเดี๋ยวเขาก็ฟังแล้วเขาจุดชื่อดไปเราพูดอะไรยากยากหน่อยบางคนนันโรคจิตต้องฟังยากยากฟังง่ายง่ายไม่ได้ฟังแบบที่โยมที่พัทยานะั้นไม่ได้มันง่ายเกินไปฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือไม่ทำํำ ผู้อะไรที่ซับซ้อนโอ้ยลึกจังเลยเนีศาสนาพุทธลึกจังเลยนะแล้วแต่จริตนิสัยนะแต่จะบอกอย่างหนึง่งธรรมดาที่สุดดีที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะใช้ใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่หละไปเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจนะใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไปคอยรู้กายคอยรู้ใจ จริงจริงกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงนะคุณเดนัยเพ่งนะคุณเดนัยคุณเดนัยเลือกที่นั่งผิดหรือไม่ใครนั่งตรงนี้เพ่งทุกคนอ่ะกลัวหลวงพ่อทาใจสบายนะนี่คุณเดนัยจันเจ้าชายนะคนดังนะดเห็นนักเผยแพรธรรมะหลวงพ่อถึงต้องกระพกรงมมากถ้าเข้าใจแล้วเขาทํางานได้เยอะช่วยศาสนาได้เยอะ วันนี้มีนักเตะแครยเยอะนะเห็นคุณดังตรินก็มาเอาเนั่นไปหลบอยู่ข้างเสามาเทศต่อมามาแบ่งกันหลวงพ่อพูดครึ่งชั่วโมงแล้วสรุปง่ายๆนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปหลงเผลอเพลินลืมกายลืมใจไป อย่ า, อาแต่คิดเรื่องกายเรื่องใจต้องดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจมันเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติเพระอยากปฏิบัติอยากรู้ให้ชัดแล้วเข้าไปจ้องจ้องจ้องกลายเป็นเพง้งรู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกเรื่อยถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาไม่ยากอย่างที่คิดหรอกง่ายนะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเนี่ยชอบดัดแปลงดัดแปลงกายดัดแปลงใจ ยกตัวอย่างนะสมมติว่าหลวงพ่อจะนั่งสมาธิหลวงพ่อต้องวางฟอร์มก่อนก็นั <c oughs> งน่งนั่งให้ดีนะนั่งให้เท่ๆก่อนเสร็จแล้วก็ต้องน้อมใจให้ซึมเนี่ยแล้วก็นิ่งลงไปเลยนี่ทำจริงๆนะเมื่อกี้นิ่งจริงนๆะ <c oughs> มันจะได้อะไรได้แต่ความสุขความสงบไม่ได้สติไม่ได้ปัญญา อยากมีสติปัญญาก็ต้องรู้สึกตัวแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนเหมือนกันหมดทางปฏิบัติมีหลายทางพระนุนเคยบอกไว้ตอนนั้นไม่ทราบว่พระพุทธเจ้านิพพานหรือ ย, ยังแต่พระนุนท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยบางคนใช้สมาธินําปัญญา บางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนทำสมาธิและปัญญาควบกันไปท่านไม่พูดถึงประเภทที่4ไม่มีทั้งสมาธิและปัญญาเสียเวลาพูดท่านก็นไม่พูดถึงท่านพูดแค่สามพวกพวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิพวกหนึ่งใช้สมาธิควบกับปัญญาพวกใช้สมาธินำปัญญาหมายถึงว่าทำความสงบขึ้นมาก่อน พอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วนะไม่สงบเฉยเฉยโง่โ ง, งอยู่นะั้นเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิมีสติรู้กายลงไปเลยรู้กายรู้เวทนาที่กําลังปรากฏนี่เป็นเส้นทางเดินที่เรียกว่าสมถยานิกทำความสงบจินใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูใจถึงฌานที่สองเนี่ยนะจะมีตัวผู้รู้ที่โดดเด่นทําไมตัวผู้รู้ที่โดดเด่นไปอยู่ในฌานที่สอง รชาญที่สองนั้นละวิตกและวิจารได้ละความตรึกความตรองได้พ้นจากการตรึกตรองพ้นจากกระบวนการคิดไม่เหลือเลยจิตไม่ได้จงใจเข้าไปจับอารมณ์จิตไม่ได้เคล้าเคลียในตัวอารมณ์นะจิตถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูยันจิตตัวผู้รู้ผู้ดูนะมันจะโดโดเด่นขึ้นมาเรมีเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งมีสัมมาสมาธินั่นเอง อริกถาท่านอธิบายเอโกโอทิภาวะวะคือสัมมาส ม, มาธิจิตนะที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อถอยออกจากสมาธิมาแล้วนะอำนาจของสมาธิยังหล่อเลี้ยงจิตผู้รู้ผู้ดูเอาไว้ได้อีกช่วงหนึ่งดังนั้นะใจมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจไม่ใช่ตัวเรา จะเน้นลงมาที่กายนะเวทนาก็เน้นไปที่เวทนาที่กายส่วนที่ใจทำไมไม่เน้นออกจากสมาธิใหม่ๆใจมันนิ่งใจไม่ค่อยเคลื่อนไหวใจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะั้นดูกายง่ายกว่านี่เป็นเส้นทางของสมถญานิกใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิมาจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอออกจากสมาธนะิตามรู้กายไปตามรู้เวทนาไปกลุ่มที่สองนะ กลุ่มที่สองคือพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิพวกคนเมืองทั้งหลายที่ทำสมาธิไม่ได้คือคนส่วนใหญ่ในห้องนี้คนส่วนใหญ่ในห้องนี้ให้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ไหวหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มหลับทำไมต้องเคลิ้มต้องหลับเพราะวันวันหนึ่งนะั้นคิดมากมาทั้งวันมันเหนื่อยเต็มบรดาละพอให้นั่งสมาธิก็ <c oughs> <c oughs> นั่งงอแงงๆๆนะ้อแงงเยครบชั่วโมงตื่น <c oughs> วันนี้จิตสงบดี <c oughs> จริงสลบไปตั้งห้ารอยครั้งไปแยกคำว่าสงบกับสลบไม่ออกเมืนะ่อเราทำสมาธิไม่ได้อย่าท้อแท้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำนิพัานาต้องทำสมาธิก่อนไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดนะในพระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าอนุนบอกเลยมีบางคนใช้ปัญญานำสมาธิเราดูความเปลี่ยนแปลงไป ใจของเราเนี่แหละกรับกรอบยอกย้อนที่สุดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามดูมันไปตามดูมันเล่นๆ น, นะอย่าไปดูเพื่อให้มันนิ่งอย่าไปดูเพื่อให้มันสุขอย่าไปดูเพื่อให้มันสงบแต่ดูอย่างที่มันเป็นตามดูเล่นๆไปเรื่อยๆพอตามดูเล่นๆไปเรื่อยๆใจเราสบายนะเวลากิเลส ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นมาพอสติไปรู้นะกิเลสก็จะสลายตัวไป อย่างพอการมาชันทะเกิดขึ้นสติระลึกรู้การมาชันทะดับพอพยาบาทเกิดขึ้นสติระลึกรู้พยาบาทก็ดับพอความฟุ้งซ่านตำคาญใจเกิดขึ้นสติระลึกรู้มันก็ดับพอความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติระลึกรู้มันก็ดับรวมความแล้วก็คือไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นสติระลึกรู้แล้วมันดับ เมื่อ น, นิวรณ์ดับไปหมดแล้วนะจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะนิวรณ์มันดับจิตก็เลยเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์นั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิเนี่ยเส้นทางเดินของคนที่เดินปัญญานะใช้ปัญญานำเนี่ยเราดูเลยใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจโลภ ก, ก็รู้ใจไม่โลภ ก, ก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้ ใจหลงไปก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดผูกก็รู้ใจสงสัยก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ไปได้เราจะเห็นนะใจมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะพอเราเห็นมากเข้ามากเข้าใจมันตั้งมั่นสมาธิมีเองมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปศึกษากับหลวงปูด่ดุลหลงพ่อเองทําสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบ ทำอานาปนสติทำทุกวันทำเพราะว่าชอบทำคุ้นเคยที่จะทำตอนเจ็ดขวบปีศูนย์สองพ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อลีพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อรีท่านพ่อลีพอเจอหน้าก็อ้านั่งสมาธิท่านพ่อลีไม่เหมือนหลวงพ่อนะต้องบอกหลวงพ่อไม่เหมือนท่านพ่อรียงนะเพราะท่านเป็นต้นฉบับก่อนเรา ท่านพอลีเนี่ยเจอแล้วไม่เทศเจอแล้วจับนั่งสมาธิครูบาอาจารย์บางองค์เจอแล้วเทศเลยไม่ผ่านนั่งแต่และองค์ไม่เหมือนกันนี่ท่านพอลีก็ผ่านนั่งสมาธิหลวงพ่อก็นั่งสมาธิมาแต่เด็กนั่งทุกวันนั่งอยู่22ปีจนมาเจอหลวงปู่ดูลมาหัดดูจิตพอหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตนะใจมัน alert ขึ้นมาใจมันสนใจเราทําไมไม่เคยพูดเรื่องจิตของตัวเอง พอมันสนใจนะเรื่องมันมีฉันทะมันสนใจมันไปขยันดูดูทั้งวันดูทุกวันดูไม่เลิกเนะี่ยเว้นเวลานอนกับเวลาหลงไปหรือเวลาต้องคิดอะไรทำงานที่ต้องคิดอนยะ่างเงี้ยเวลาที่เหลือเนะี่ยจะไม่ทิ้งเปล่าๆเานะี่จะดูเล่นๆไปเลยดูดูไปเรื่อยนะดูอยู่ตั้งแต่ไปเรียนกับท่านนเจ็ดเดือนเนจะ็ดเดือนแล้วใจเราก็เปลี่ยนไปล้วไปหาท่านนะท่านก็พูดให้ฟัง ว่าจิตตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่าง น, างนี้มีอยู่จิตอยู่ช่วงหนึ่งท่านพูดถึงจิตข้าวชานที่แปดเราไปแบบคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าครูบาอาจารย์บอกชานที่แปดครับผมชานที่แปดนี่เราจะสงสัยนะสงสัยแต่ไม่ใช่เถียงท่านนะไม่ใช่เถียงบอกไม่ใช่หรอกหลวงปู่อะไรเงี้ยไม่ได้เถียงโง่โงขนาด น, นั้นคนรุ่นโง่โงามาอยู่รุ่นนี้เยอะ เราไม่เสียงครูบาอาจารย์อย่างนั้นเราเราก็แค่แยบแยบไปหลวงปู่ครับผมไม่ได้หัดเข้าฌานเลยผมทิ้งเลยนะไม่ได้เข้าฌานท่านกับบอกว่าการที่เราดูจิตไปเรื่อยๆมันจะได้ฌานโดยอัตโนมัติเพราะเวลาที่เราดูจิตนะั้เราเห็นจิตเกิดดับจิตเคลื่อไนไหวเปลี่ยนแปลงบางขณะเนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะมันจะไปดูความนิ่งความว่างบ้างไปดูตัวจิตบ้างไปดูความไม่มีอะไรบ้าง น้อเข้าหาความสงบที่ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นบ้างตรงนี้แหะคือสมถะงั้นเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสมถะนะจิตมันจะพลิกตลอดพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะดูจิตจริงๆที่เป็นวิปัสสนาดูได้ไม่นานแบบแวบเดียวมันก็จะลงมานิ่งๆแล้วก็อย่าไปให้นิ่งนานตรงที่ให้นิ่งแล้วเนี่ยนิ่งนานเยอะนะหลวงพ่อเคยเจอบางคนมันนิ่งอยู่ได้เป็นปีๆก็มีจิตเวลาดูไปแล้วพอสภาวะมันดับนะใจว่างๆแล้วอยู่ที่ว่าง ทำเป็นไม่เห็นเนี่ยแล้วไปอยู่ตรงนี้นะมันออกนอกเนี่ยถ้าใจเป็นนิ่งไปว่างอยู่ไม่เดินปัญญาต่อเนั้นติดสมถะลราะฉนั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะไม่ใช่ว่าไม่ติดสมถะแต่เวลาที่เราหักเจริญสติไปเลยนะดูจิตไปเรื่อยเรนะื่ยเรียกว่าเดินปัญญาอยู่เนะี่ยสมาธิจะเกิดตามมา่ะแล้วเวลาที่จะเกิดอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าถึงอัปปนาสมาธิรวมเอง รวมเองตั้งแต่ชาญที่หนึ่งขึ้นไปเป็นไปเองอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิอีกพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันเมื่อวานมาคนหนึ่งคุณดำเกลองยังอยู่ไหมวันนี้หนีกลับไปแล้วเล้ชาวเชียงใหม่ออยังอยู่ออยู่ทางนี้ก็คือการเข้าชาญไปก่อน พอเข้าฌานถึงอัปปนาสมาธินะเสร็จแล้วใจมันถอยขึ้นมานิดหนึ่งมาดูสภาวะเปลี่ยนแปลงภายในนี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งตอนที่ฌานจากฌานที่1นึ่พอจิตขึ้นฌานที่สองจิตมันย้อนพิจารณามเห็นองค์ฌานที่1ดับไปเกิดองค์ฌานที่สองขึ้นมาองค์ฌานที่สองดับไปเกิดองค์ฌานที่สขึ้นมาหรือบางทีก็ถอยลงจิตอยู่ในฌานที่4ี่พอออกจากฌานที่4มาอยู่ในฌานที่สา จิตทวนพิจารณาเห็นองค์ฌานที่สามดับไปองค์ฌานที่สี่ดับไปเนี่ยจะไล่ขึ้นไล่ลงจะเห็นในองค์ฌานนั่นแหละเอาองค์ฌานนั่นแหละมาทำวิปัสสนานี่เรียกว่าใช้สมาธิและปัญญาควบ ก, กันพวกนี้เวลาถ้าหลุดพ้นก็จะมีของเล่นเยอะแต่เล่นยากหลุดยากหน่อยเพราะหมดแต่เล่นนั้นทางเดินนี้นั้นมีหลายสายเห็นไหม ใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปก็ได้นะอย่างที่ควบกันเนี่ยนะางทีองเอกจากชานก็จิตมันก็ย้อนไปพีนยัยเห็นองค์ชานที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆจะย้อนขึ้นย้อนลงได้ทำยากพวกเราทำแบบที่สองนะง่ายที่สุดสำหรับคนซึ่งทำชานไม่เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สามทั้งคนทำชานเป็น อย่างที่หนึ่งสำหรับคนทำฌานทั่วท่วไปอย่างที่สองสำหรับคนทําฌานไม่เป็นอย่างที่สามสำหรับคนทําฌานที่เดินมิปัสสนาได้เดินมิปัสสนาได้ในฌานบางคนบอกเป็นไปไม่ได้ในพระพิธรรมสอนนะบอกว่านักดูจิตเนี่ยนะพวกที่ดูจิตเนี่ยแม้ไปอยู่ในอรู ป, ปรพรมตายแล้วไปเกิดในอรูประพรมยังดูจิตได้เลยนี่ใพระพิธรรมสอนไว้ เออหลวงพ่อเทศยากไปไหมวันนี้เทศอะไรก็ไม่รู้นะเฉลยจะมีพวกมีปัญญาแก่กล้ามากมาเรียนสรุปง่ายๆนะตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกกายรู้สึกใจไป ต, ตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายนอนอยู่ท่าไหนก็รู้สึกนะหรือจิตใจเราเป็นสุข ก, ก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ะ บางคนตื่นขึ้นมาฝันร้ายใช่ไหมตื่นขึ้นมาแล้วยังกลัวติดออกมาตื่นขึ้นมาแล้วกลัวอยู่รู้ว่ากลัวอยูนะ่ตื่นขึ้นมาแล้วกายเป็นยังไงรู้สึกใจเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกตั้งแต่ตื่นรู้สึกไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกเล่นๆรู้สึกเข้าที่รู้สึกได้นะรู้สึกบ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานน่าเกลียดนะรู้สึกตระยะระยะระยะฝึกอย่างเนี้ยนะใช้เวลาไม่นานหรอกเนี่ยมันจะมีคนเร็วกว่าเราอีกด้วยซ้ําแต่ทําอยู่เดือนเดียวก็ทำไหวนะเก่งนะ คนไม่รู้เรื่องเรืงง่ายพวกรู้มากยากนานเห็นไหมบอกมาทั้งงานรับประโยคเนี้หลวงพ่อพูดมานานแล้วใช่ไหมรู้มากยากนานนึกออกไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนะพูดมานานแล้วเห็นไหมนี่แกไม่ได้ทำอะไรแกเก็บผักแกเก็บผักแกกวาดบ้านแกซักผ้าแกทํางานทําไปทั้งวันสมาธิก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอยาก่างมีสติเท่านั้นสติเห็นกายมันทํางานสติเห็นจิตมันทํางาน เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยพวกเราก็พอทำได้นะหลายคนมีแววแต่อย่าถามว่าคนไหนนะเดี๋ยวเสียขวัญ <c oughs> ผมทำได้ไหมครับอย่าถามนะ <c oughs> เกรงใจไม่อยากตอบ <c oughs> ต้องทำเอาเองใหม่ใหม่ก็ยากเท่านั้นนะอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ยากก็เคยทาแล้วมันก็ง่าย งั้นการเจริญสติใหม่ๆโอ้ยกว่าสติจะเกิดน่ายากเหลือเกินแต่พอสติเกิดแล้วอยากจะไม่มีสติสักวันหนึ่งยังทำไม่ได้เลยหลวงพ่อเคยเป็นตอนเด็กๆนะทำสมถะยี่สิบสองปีเรามาขึ้นวิปัสสนานะรู้สึกดูถูกสมถะโอ้ทำมาตั้งนานแล้วโง่ไม่เห็นมีปัญญาเลยทำแต่วิปัสสนาทิ้งสมถะไปทาไปช่วงแรกๆ ก, กาลังของสมาธิเราเยอะ มีแรงส่งเยอะนะส่งไปได้ทั้งสองสามปีพอหลังจากนั้นนะ่าใจมันเริ่มไม่มีแรงพอไม่เห็นนะใจไปว่างๆอยู่ใจไปดูว่างๆ ว, วันหนึ่งไปถามอาจารย์มหาบัวไปถามท่านอาจารย์มหาบัวที่บ้านตาแต่นน้คนก็ยังไม่เยอะไปถามท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมดูจิตครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีทางที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วภาวนามาถึงจิตถึงใจแล้ว เหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมผมเมื่อไหร่มันจะสุกสักทีผมดูมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยท่านมองหน้าเราแวบแลนะ้วท่านก็บอกเลยเพราะว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตหรอกต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้แล้วท่านบอกแค่นี้นะก็กราบท่านคนระับครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ ไม่ไปนั่งเฉียงท่านหรอกเพราะว่างานท่านเยอะแล้วก็มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะบริกรรมนะั้นโอ้ใจเต็มไปด้วยความทุกข์ใจนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะจริงๆเนี่ยเราติดอยู่ในความสงบมานานพอจิตออกมาทํางานนะตัวปัตตูเปดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมั่วสั่วไปหมดเลยเสร็จแล้วก็มาสังเกตแอ๊ทําไมครูบาอาจารย์ให้บริกรรม เรบริกรรมแล้วมันยิ่งมั่วหนักกว่าเก่าอีกค่อยๆสังเกตอ๋อท่านให้บริกรรมเพราะใจเราไม่ตั้งมั่นพอเห็นว่าจิตไม่ตั้งมั่นของพ่อก็มาหายใจเราไม่ถนัดบริกรรมเราถนัดหายใจทามาแต่เด็กนั้นมาหายใจใจมันก็ตั้งขึ้นมาเลยรู้เลยว่าที่เสียเวลาไปเป็นปีๆแล้วนะเพราะใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็สําคัญนะเฉะั้นเราภาวนาเราก็ไม่ทิ้งสมถะเราต้องทํา แต่คนไหนที่ติดสมถะมามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกให้เลิกทำสมถะไปก่อนแล้ววันหนึ่งต้องมาทำใหม่ลเลิกไปชว่วคราวสำหรับคนที่ติดสมถนะนี่หลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อมาเรื่อยๆอย่างนี้นะช่วงไหนใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาบ้างนะแต่และ ว, วันคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปด้วยไม่ยากนะไม่ยากอะไรภาวนาแล้วไปหาครูบาอาจารย์พวกพระอุปถา ก็ออกปากเลยว่าโยมทำได้ยังไงพระทำตั้ง1ิปียี่สิปีไม่ได้อย่างนี้บอกผมทำทั้งวันเราไม่ได้อยู่ในความนิ่งความว่างความสุขความสบายยิ่งชีวิตมีปัญหานะยิ่งภาวนาดีพวกเราจำไวน้นะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการเมืองคลุ้มคลั่งนะคนซึ่งภาวนาไม่เป็นก็สติแตกนะเครียดจัด ส่วนคนที่ภาวนาเป็นนะมีปัญหามากเลยใช่ไหมปัญหาทุกเรื่องเป็นหมดเลยตอนนี้ยมันกลายเป็นนาทีทองของการปฏิบัติเพราะเราจะขยันดูตอนเนี้ยมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วความทุกข์มันมาถึงตัวก็ดูสิดูเอาดูเอาดูเอานะอาจจะบรละรลุพระอรหันต์กันในชั่วโมงวิกฤตก็ไดนะ้เอาแน่ไม่ได้นะของกันนี้ยอยู่ที่เราไม่จริงอะ จะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามอย่ายินสมควรทำอะไรก็ทำไม่สมควรทำก็ไม่ทำแต่ไม่อินอย่าอินกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเรื่องโกหกทั้งสองฝ่ายมันเรื่องหลอกหอกกนะันนั่นแหละมันเรื่องชุกคราวเป็นเรื่องโลกโลกอย่าทิ้งการปฏิบัติของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูของเราอย่างนี้วันหนึ่งเราก็ได้ธรรมะ ได้ครอบครองธรรมะเรียกว่าอริยทรัพย์อาจจะไม่รวยมากเท่าคนอื่นนะแต่เราจะไม่จนอีกต่อไปแล้วจใจของเราจะมีแต่ความอิ่มเอิบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาคนรวยๆมากๆ ม, มีเงินเป็นพันหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขก็มีนะบางคนมีเงินหลายหมื่นล้านใช่ไหมมันมีความสุขตรงไหนอ่ะถามมันเน๊อเอาเหลืออยู่แปดนาที ตรวจการบ้านเลยแต่วันนี้ไม่มีป้ายคนอยู่วัดมีแต่ป้ายเจ้าภาพมันตรวจเจ้าภาพนั่นแหละข้าพเจ้าโนสการ์ครั บ, รรบมีโบ อ, อยู่นิดนึงครับโมก็งว่วงนะเ <c oughs> หนื่อยเมื่อวานอุตส่าห์ไปเชื่อปักป้ายวันเวทูเวทอะไร <c oughs> คุณอาภิชาติได้ช่วยหลวงพ่อทำงานมากเลยนะตั้งแต่ตั้งวัดเลยตั้งแต่สร้างวัดเจญวัดสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเป็นกําลังหลักเลย เหมือนแม่ทับเลยนะเป็นนัดต่อสู้ตอนจัดงานสงฆ์พวัดวันเปิดวัดเดือนพฤษภากัางคืนนะนั่งกวาดหินเกล็ดอยู่คนไม่รู้นะันนึกว่าเป็นพันโดงอยู่ในวัดไม่รู้ว่าเป็นเจ้าสัวภา <c oughs> <c oughs> วนาไปนะหลวงพ่อไม่มีอะไรให้พวกเราเหรอกมีธรรมะนะมีธรรมะธรรมะนี้ บอกทางไดนะ้แล้วเราต้องทําเอายังไงก็ไม่จริงธรรมะคนใดไม่จริงธรรมะธรรมะก็ไม่จริงเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากธรรมะขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะท่านท่านตรัสรูนะท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสรณะจะเอามนุษย์และเทวดาทั้งหลายมาเป็นสรณะนะก็ะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าท่านเลยมีแต่ ก่นได้กว่ามีแต่ความมืดบอด เ, เสร็จแล้วท่านทก็เลยพ่จารณาแล้วเอาธรรมะเป็นสรณะธรรมะเป็นสรณะเนี่ยประโยคนี้เมื่อก่อนที่จะภาวนาเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเป็นสรณะได้ไงธรรมะมีต้องเป็นตู้ๆเนี่ยธรรมะอยู่ในตู้ mm hmm. ธรรมะถูกลงโทษถูกขังไว้ใส่กุญแจ เ, เป็นที่พึ่งของใครไม่ได้หรอกตัวเองก็รอเวลาให้ปลวกมากินเท่านั้นเอง นี่ไม่ใช่ธรรมะนะนี่เป็นหนังสือที่จะรึกเรื่องธรรมะเอาไว้แต่ธรรมะแท้ๆนั้นน่ะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเมื่อไราใจเรามีสติมีความตั้งมั่นรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวันหนึ่งเราจะเข้าถึงธรรมะหรือบางทีหลวงปู่ดูลั่นก็ใช้คาว่าถึงพระตานาคไร เข้าถึงพรัฒนาใรพรัฒนาใจจริงๆก็คือธรรมะนะั่นเองคนต้องอดทนนะทำไปอ่ะเจ้าภาพเลอสองต แ, แรกๆก็โมอค่ะแต่ว่าพัสดกีก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเพ่งนิดหน่อยอ๋อดีขึ้นเพราะตอนจะต้องส่งกันบ้านะ้าง <c oughs> ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีขึ้นแล้วใช้ได้อะคุณมาลี อันนี้จิตไม่ตั้งมั่นเลยใช่ไหมะกรจายคุ้งซ้านอืมเราไปอย่างที่เป็นนะอย่าไปว่ามันอ้าวคุณใหญ่เจ้าภาพเยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็หลุกหลีกหลุดหลีกหลวงพ่อมไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะจิตมันมีโมหะนะอ้าวเฮียเต็กโอกรรมการวัดหลวงพ่อนะมีโมหะเยอะเนี่ยยกเป็น น, นอนเยอะแล้ะมัง้ง <c oughs> <c oughs> ไม่เยอะเหรอ ครับก็เห็นใจมันทํางานแล้วเดี๋ยวมันปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอเห็นมันไม่ไม่ไมไมค่ยนิ่งไม่อยู่นิง่งครับอ่ะพุ่งแตมสึกเมื่อวานหลังเดินจงกรมแล้ววันนี้สึกดีขึ้นหน่อยดีขึ้นใช่โอ้สว่างขึ้นหมดแล้ว <c oughs> ไปทําอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรเขไม่ได้ท ำ, <c oughs> ทำใช่ไหมเมื่อกี้จงใจประคองอย่างใจรักษา ตอนนี้รู้สึกหมดหน้าที่แล้วสบายเป็นแต้มใช้ได้นะนุ่นมีกรรมการซ่อนอยู่หลังเสานุ่นดังตรินไม่ต้องส่งไปหลัคนนี้รู้มากเอาชมพูมัวมวเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็ใจแกว่งซ้ายแกว่งขวาดูไปภาวนาแล้วไม่ยากให้รู้สภาวะไปเรื่อยๆการภาวนาจะไม่ติดขัดเลยถ้าเรารู้ว่าสภาวะจริงๆกาลังเป็นยังไง ที่ติดขัดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าสภาวะอะไรกําลังปรากฏไม่รู้ว่าจิตกําลังติดอยู่ในสภาวะอะไรนั้นจะติดค้างอยู่นานๆเวลาเราภาวนาแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าหลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีมาแล้วจิตเหมือนเดิมตลอดนะเป็นเครื่องที่สูจนได้แล้วว่าต้องไปติดอะไรสัก อ, อย่างหนึ่งถ้าไม่ติดอยู่จิตจะต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั้นเราสังเกตเอาวิธีสังเกตเนี่ยที่ง่ายที่สุดนะตอนตื่นนอน พอตื่นปั๊บเนี่ยแล้วเราคิดเรื่องการปฏิบัตินะจิตจะขยับตัวอะไรกุ๊กยิกุ๊กยิกคกเคยเข้าช่องไหนก็จะเข้าช่องเดิมกลับไปติดเหมือนเดิมน ะ, ะนะได้เวลาสมควรพี่ตุ๋มเป็นไงบ้างนี่ลูกสาวลุงชินสองคนพี่ติ๋วก็มาดีนะหลวงพ่อไม่บอกว่าเชิญกลับบ้านเพราะทุกวันต้องบอก